พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้เวลาเกิดแล้วพวกเราก็หาความสุขกันทุกคนต้องการความสุขกันแต่ความสุขที่เราหากันมันเป็นเหมือนเงาที่เราคอยตะครุบ ม, มันคือพอเราคิดว่า ได้เงินได้ทองได้ลาบมาแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้แล้วมันก็ไปคิดขึ้นมาใหม่ว่ามันต้องได้ยศได้ตำแหน่งถึงจะมีความสุขความสุขที่ได้จากเงินมันก็ไม่มีความหมายแล้วอย่างมีเกียรติยศ รวยแล้วทีนี้ก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนะแตความสุขมันรู้สึกว่ามันจะหนีเราอยู่เรื่อยเหมือเนเงาที่เราเดินตามเคยลองล้ไล่ตามเงาของเราไหมเงาที่มันทอดอยู่ข้างหน้าเรานเวลาเราเดินไปหามันมันก็เดินหนีเราไปเดิน ตามมันทลา่มันก็หนีเราไปเท่านั้นอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยๆความสุขต่างๆก็เหมือนกันเหมือนกับเงาอยู่ข้างหน้าเราพอเราไปหามันมันก็หายไปมันก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เราจึงไม่เคยมีความสุขแบบถาวรแบบแท้จริง yeah. <Yeah. S 2> เป็นความสุขเดียวๆ ได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องคอยหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่สามารถหาได้ความทุกข์ก็เข้ามามนี่คือวิธีหาความสุขของพวกเราที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้กันเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ไม่เป็นความสุขที่ถาวนที่ไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการจากไปหรือไม่จากมันก็ไม่ได้เป็นสุขเหมือนกับตอนที่ได้มันมาใหม่ๆ ทำให้เราอยากได้อย่างอื่นต่อได้ลาบแล้วก็อยากได้ยศได้ยศแล้วก็อยากจะได้สารเสนได้สารเสนอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้รูปเสียงกลิ่นรสค้นจากคนนี้แล้วก็อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นของคนนั้นอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสของสิ่งนั้นของสิ่งนี้ ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรมันไม่มีคำว่าพอได้เท่าไหร่ก็ยังอยากได้อกีกยังหิวอกีกยังต้องการอกีกแล้วเวลาไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจหรือถ้าเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ไกลายเป็นความทุกข์ สิ่งที่เราหาที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพอมันผ่านไปมันจากเราไปมันก็เลยทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทําให้เราทุกข์กันนี่คือความสุขที่เราหากันในโลกนี้เป็นความสุขแบบนี้ไอความสุขแบบที่ได้มาแล้วจะสุขไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดนี่ เราหาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราต้องมาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนจะบอกเราว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรอยู่ที่ความว่าง อยู่ที่ความไม่มีนิบานังปรมังสุญญ์ยังนิบานังปรมังสุขขังสุดยอดของความว่างคือพระ น, นิพพานพระนิพพานสุดยอดของความสุขคือพระ น, นิพพานพระนิพพานคือความสุดยอดของความว่างพระนิพพานคือความ สุดยอดของความสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงคือความว่างนิบานังปลมังสุญญังนิบานังปลมังสุขขงังความสุขของพระนิพพานได้จากความความสุดสุดยอดของความว่างเพราะความว่างเท่านั้นที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอกับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้าดลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพออนิจจังเกิดขึ้นเกิดการเสื่อมเกิดการสิ้นสุดลงทุกขังก็ปรากฏตามมาแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ว่ามันเป็นอนาัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราหากันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะหาหาจากอะไรได้อะไรมามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าไม่อยากได้อนิจจังทุกขังอนาตาัตตก็ต้องอย่าหาสิ่งเหล่านี้ ถ้าหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันมีวันสิ้นสุดนทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปห้ามมันได้ห้ามไม่ให้มันสิ้นสุดลงได้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดจะต้องมีการพัดพรากจากกัน ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขจากลาบยศยสรรเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสต่างๆสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ทรงประทับอยู่ในพระราชวังมีประสาทสามฤดูให้ตอบสนองความสุข มีประสาท ส, สำหรับฤดูหนาวมีประสาทสำหรับฤดูร้อนมีปราสาทสำหรับฤดูฝนที่จะให้ความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวถึงต้องมีสามฤดูพอพ้นหนาวไปก็ต้องย้าย ถ้าอยู่ที่หนาวมันก็ร้อนแล้วอากาศมันร้อนแล้วมันก็ไม่สบายต้องไปอยู่ประสาทที่เหมาะกับฤดูร้อนพอฤดูร้อนหมดก็ต้องย้ายไปอยู่ประสาทฤดูฝนเป็นปราสาทที่เหมาะกับฤดูฝนพระองค์ก็ทรงเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่พระองค์ อาศัยให้ความสุขกับพระองค์และเห็นร่างกายของพระองค์เอง ก, ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ไม่เหมือนเดิมร่างกายของพระองค์ก็ต้องต่อไปก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายพอร่างกายไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่พระองค์ทรงได้ยินได้ฟังว่ามีพวกนักบวชกําลังหากันอยู่พระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติออกบวชไปอยู่กับพวกนักบวช เพื่อไปหาความสุขที่พวกนักบวชเข้าหากันคือความสุขที่ได้จากความไม่มีอะไรนั่นเองเวลาไปเลยไม่เอาอะไรติดตัวไปเพราะเอาไปก็รู้ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นต้องการหนีความทุกข์จึงไม่เอาความทุกข์ติดตัวไปด้วยพวกนักบวชนี้เขามีความเชื่อในในเรื่องของความว่าง ว่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเขาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ที่เขามีอยู่เป็นอยู่มันให้ความทุกข์กับเขาพะมันไม่เที่ยงมันมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องทุกข์เวลามันหมดอะไรมุ่งไปหาความว่างกัน เพราะความว่างนี้มันไม่มีวันหมดถ้าคณไม่มีแล้วมันจะหมดได้ไหมสมมติคนไม่มีเงินบาทไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะหมดได้หมมันหมดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้หมดนั่นเองแต่ถ้ามีแล้วมีอะไรสิ่งที่มีต่อไปมันก็ต้องหมดมีลาบเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลาบมียศมันก็ต้องเสื่อมยศ มีสันเสรินเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมสันเสรินกลายเป็นนินทาไปมีสุขเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาดันั้นการมีอะไรนี้เป็นการมีความทุกข์โดยสรุปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยไปอยู่แบบไม่มีอะไรการที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้อง ทำลายสิ่งที่ยังมีอยู่ในใจอยู่สิ่งที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสมประการความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะมันจะบีบใจให้ดินไปหาสิ่งต่างๆนั่นเอง พอมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะบีบให้ใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพพอมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอยากเป็นอะไรมันก็จะบีบใจให้ไปหาสิ่งเหล่านั้นถ้ามันอยากจานไม่ต้องการสิ่งที่มันได้มันก็จะบีบใจให้หนีจากสิ่งเหล่านั้นไปให้หนีความแก่ให้หนีความเจ็บให้หนีความตาย พอมีการดิ้นรนความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาฉะนัออ้นนอกจากไปอยู่แบบนักบวชอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วมันก็ยังมีความอยากที่เป็นใหญ่อยากมีอยากเป็นอยู่หรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่ในใจที่มันไม่ได้หายไปเพราะเรา ทิ้งสิ่งต่างๆที่มิตเรามีอยู่ไปถึงแม้จะไปอยู่ในป่าอยู่แบบนักบวชเนี่ยแต่ใจของนักบวชนี่ยังต้องต้องมีการชำระต่อไป เ, เพราะการบวชเฉยๆการถือศีลการไปอยู่แบบนักบวชนี่ยังไม่สามารถกำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ ความทุกข์ที่เกิดจากกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหามันยังไม่ตายไปเพราะโกนหัวเรือนุ่งข่มผ้าเหลืองถ้าตายก็ดีบวชปั๊บก็บรรลุโกนหัวปั๊บใส่ห่มผ้าเหลืองก็บรรลุเป็นพระอราหันต์กันเลยถ้าบวชแบบนี้ได้ก็ดีไม่ต้องมาเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยละแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่า เวลาที่ร่างกายบวชกิเลสมันไม่ได้บวช ด, ด้วยนะเวลาเราเข้าบทกวนหัวห่มผ้าเหลืองเข้าบทเนี่ยไปบวชน่ไปบวชนะแต่ร่างกายไปใส่เครื่องแบบแต่กิเลสมันไม่ได้บวชกับเรานะกิเลสมันยังมีอำนาจครอบงําจิตใจของเราอยู่ความอยากต่างๆตอนที่ยังไม่บวชก็ยังไม่หายไป อ, อย่าไปคิดว่ากามตันหาหายไปภาวะตันหาหายไปวิภาวะตัญหาหายไปมันไม่หายนะมันไม่ได้หายเพราะโกนหัวมันไม่ได้หายเพราะห่มผ้าเหลืองมันไม่ได้หายเพราะไปเข้าไปในโบสถ์แล้วมีพระอุปชามีพระคู่สวดมีพระอันดับมาสวดให้เราเป็นพระนไอ้นี่มันเป็นเปลือกเป็นพิธีกรรม ให้ให้รู้ว่าร่างกายอันนี้คนคนนี้ต่อไปนี้เป็นนักบวชแล้วเป็นนักบวชที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของการเป็นนักบวชคือมีเสีย227ข้อมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทำเช่นบบญทบาทไหว้พระสวดมนต์ ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆนี่คือการประกาศให้สังคมรับรู้ว่าบุคคลคนนี้เดี๋ยวนี้เป็นนักบวชแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลคนนี้ได้เป็นพระอารหันต์แล้วได้เป็นพระอาริยบุคคลแล้วเพราะ สิ่งที่ทำให้เป็นพระอริยบุคคลทำให้เป็นพระอารหรนันต์นี้ยังไม่เกิดขึ้นมานั่นเองยังไม่มีการกระทำยังไม่มีการปฏิบัติคือยังไม่มีการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นนิพพานขึ้นมาให้เป็นใจที่ไม่มีความอยากได้อะไรแล้วจึงเรียกว่าเป็นความว่าง ถ้าภายในใจยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่สแสดงว่าใจยังไม่เป็นนิพพานใจจะเป็นนิพพานเมื่อตัดความอยากต่างๆได้หมดไม่คิดอยากจะได้เงินได้ทองไม่คิดอยากจะได้ยศได้ตำแหน่งไม่คิดอยากจะได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินยอ ไม่คิดที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่คิดที่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีความอยากอะไรอยู่ในใจเลยมีแต่ความว่างสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแต่ไม่มีความอยาก เห็นอะไรก็รู้เฉยๆได้ยินอะไรก็รู้เฉยๆไม่ได้มีความอยากได้สิ่งที่รู้อยากได้สิ่งที่เห็นอยากได้สิ่งที่ได้ยินอยากได้สิ่งที่คิดถึงนั่นแหละคือการจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงต้องทำให้ใจว่างจากสิ่งต่างๆไปให้หมดใจจะไม่มีการขวคว้าไม่มีการ อยากได้อะไรไม่มีความอยากเป็นอะไรการที่จะทำให้ใจเป็นใจที่ว่างได้ต้องมีการชําระใจเรียกว่าการภาวนานี่เองออการชําระใจจะทำให้ความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ หายไปหมดได้การชำระใจก็เหมือนกับการาชำระเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้พอใช้เสร็จมันก็เปื้อนมีสิ่งต่างๆไปเกาะติดในเสื้อผ้าเช่นเหงือใครทำให้มีกลิ่นเหม็นมีคราบสกปรกต่างๆ เราก็ต้องเอาไปซักกันอพอเราซักผ้าด้วยเครื่องด้วยผงซักฟอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพอซักเสร็จคราบส ก, กปรกต่างๆที่เกาะติดอยู่ในเสื้อผ้าก็ยังก็จะหายไปหมดแต่เสื้อผ้าไม่หายไปกับการซักเสื้อผ้าเช่นเันฉันใดการซักฟอกจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน เป็นการซักฟอกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มันติดอยู่ในใจที่มันทำให้ใจเปิอะเปื้อนถ้าได้รับการซักฟอกด้วยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคาบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในใจก็จะหลดหายไปหมด พอหลุดหายไปหมดใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากคราบสกปรกต่างๆแต่ใจไม่ได้หายไปกับการชำระเหมือนกับเสื้อผ้าไม่ได้หายไปกับการชำระสิ่งที่หายไปคือคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้า หรือคราบสกปรกที่ติดอยู่ในใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆนี่คือคราบสกปรกที่จะหลุดออกจากใจทําให้ใจว่างจากสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ ป, ปฏิบัติเพราะอ่านว่านิบานังปลมังสูญอย่างก็ไปแปลว่าพอถึงนิพพานแล้วสูญหมดทั้งๆไม่รู้ว่าคําว่าสูญหมดนี่คืออะไรหมายถึง หมายถึงคนที่ปฏิบัติก็สูนด้วยบางคนคิดว่าพอไปถึงนิพพานแล้วสูนหมดคนผู้ปฏิบัติผู้ที่ชําระจิตใจของตนเองก็สูนไปหมดเพราะนี้บานางบรมังสูนยอย่างเขไปแปร ไ, ไว้ย่าั้นแต่ไม่สูนผู้ปฏิบัติไม่สูนไปกับการชําระใจของผู้ปฏิบัติผู้สิ่งที่สูนคือคราบโสกปก ที่ติดอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองพอใจไม่มีคาบสปกปรกเราก็เรียกว่านิพานนี่เองนิาพานเพราะไม่มีคาบสปกปรกถึงเป็นศูนย์อย่างศูนย์จากคาบสกปรกต่างๆไม่ได้หายสาบศูนย์ไปแปลความหมายไม่เป็นคนที่ไม่ปฏิบัติมันก็จะแปลไปแบบนี้จึงไม่กล้าไปนิพานกันกลัวนิพานกันใช่ไหม กลัวไปนิพพานแล้วศูนย์ไม่มาเกิดเด็กต่อไปไม่ได้มาเป็นนายกอนางขอไม่ได้มาเป็นอะไรเหมือนอย่างที่เป็นกันแทนที่จะยินดีกับพระนิพพานก็เลยกลัวกันกลัวว่าไปถึงมรริพา น, นาพแล้วตนเองจะหายสาบศูนย์ไปตลอดอนันตการ ไม่กลัวการมาเกิดแล้วมาตายกันอยู่เรื่อยๆตายแบบนี้ไม่กลัวเพราะรู้ว่าตายแล้วเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ได้อีกเลยเลยไม่อยากจะไปนิพพานกันออยากจะกลับมาเกิดกันอเ<ม>นี่แเพราะว่าความเข้าใจผิดไม่รู้ว่าการมาเกิดแต่ละครั้งนี่มันจะต้องมาเจอกับความทุกข์กันมากมายขนาดไหนเ แต่เราเกิดมานี่เราทุ ก, กันมามักน้อยขนาดไหนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ยังต้องทุ ก, กันต่อไปไม่เบื่อนายไม่เข็ดลาบสักทียังอยากจะกลับมาเกิดกันอีกกลับมาเกิดทีไยก็จะต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งไปแต่ดีกว่าไปนิพพานไปนิพพานนี่แบบตายแบบถาวรเลยตายแบบ หายไปเลยหายสาบสนไปเลยเราไม่อยากจะไปนิพพานกันขอไปแค่สวรรค์ก็พอพอไปสวรรค์แล้วเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ทำบุญทำทานกันนักษาศีลกันพอแล้วอย่าไปวิปัสสนาอย่าไปภาวนากันเดี๋ยวภาวนาแล้วเดี๋ยวใจเป็นนิพพานขึ้นมาแล้วจะหายสาบสนไป จะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกเนี่ยเนี่ยังอยากจะกลับมาเจอกันอีกใช่ไหมรักคนไหนชอบคนไหนอยังอยากจะกลับมาพบกันอีกเนี่ยมีคนชอบถามคําถามเลยว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะได้กลับมาพบกับพ่อแม่คนเก่าหรือเปล่าออยังอยากจะเจอความทุกข์กันต่อไปแต่ความสุขนี้ที่ไม่มีความทุกข์นี้กลับไม่อยากจะเจอกัน ก็เป็นความสุขแบบหายสาบสูญไปเลยไม่อยากจะหายสาบสูญความจริงไม่หายหรอกพระพุทธเจ้ายังยังอยู่เพียงแต่เราติดต่อกับท่านไม่ได้เท่านั้นเองท่านก็เหมือนกับคนที่มีโทรศัพท์มือถือแต่ท่านเลิกใช้มือถือแล้วท่านไม่เปิดเครื่องแล้วท่านโยนมือถือทิ้งไปแล้วเราก็เลยติดต่อกับท่านไม่ได้เท่านั้นเอง เพราะท่านเบื่อกับการที่ต้องมาคอยรักษามือถือต้องคอยมาชาร์จแบตต้องคอยมาเปลี่ยนรุ่นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวรุ่นนี้เก่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ท่านเลยไม่อยากจะใช้มันไม่อยากจะใช้มือถือแต่ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านอยู่เพียงแต่ว่าเราติดต่อกับท่านไม่ได้เท่านั้นเอง พาหันทั้งหลายท่านก็ยังอยู่ท่านไม่ได้หายสาบสูญไปไหนท่านอยู่แบบไม่ต้องมาเกิดอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่อยู่แบบไม่ใช้มือถือคนไม่ใช้มือถือนี่เขาหายไปไหนหรือเปล่าเขาก็อยู่ที่ก็ไม่อยากใช้มือถือเพราะเขาไม่อยากจะยุ่งกับคนพอมีมือถือเดียวคนนั่นก็โทรเข้ามา <thirteen S 1> คนที่โทรส่วนใหญ่ก็เข้ามาขอทั้งนั้นเน่ย ไม่มีใครโทรมาให้ของหรอกโทรมาทีไรก็ช่วยหน่อยสิขอนู่นขอนี่ไม่มีใครบอกให้บรับาคเงินไปเว้ยมีเงินฝากให้ไม่มีมีของขวัญให้ไม่มีหรอกมีแต่เรื่องโทรมาทีไรมีแต่เรื่องเังนั้นคนที่เกียดไม่อยากจะมีเรื่องก็เลยปิดเครื่องดีกว่าโยนมือถือทิ้งไปดีกว่า ไม่มีมือถือก็ไม่ต้องมาคอยชาร์จแบตใช่ไหมไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนรุ่น<ม>เวลามันเสียก็ไม่ต้องไปคอยเอาไปซ่อมมันถ้ามีแล้วมันก็มีเรื่องให้ทำถ้าไม่อยากจะยุ่งกับมันก็อย่าไปมีมือถือดี ก, กว่า<ม>เราไม่มีมือถือก็ไม่มีใครมาติดต่อกับเราได้เวลาโกดเราก็โทรมาด่าเราไม่ได้ถ้ามีมือถือเนี่ยมันพอมันกดเรามันก็โทรมาด่าเราทันที มึงอย่างนั้นให้หายอย่างนั้นได้เวลาโกรธขึ้นมาเรอาอไม่มีมือถือก็ติดต่อกับเราไม่ได้นัออ่นแหละจิตใจที่เป็นนิพพานก็เป็นแบบนี้ ไม่ได้สูญหายไปจิตใจนิพพานอยู่กับบรมสุขนิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุญอย่างอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอยู่กับการไม่ติดต่อกับใครต่อไปไม่มีราบยศสรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีร่างกายมาเสพอีกต่อไปแต่มีความสุข เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันนนัความสุขที่เรามีกันมันเป็นความสุขไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวนะเวลาภาวนานี้เรามาซักฟอกจิตใจ เราไม่ได้ทำให้จิตใจสูญหายไปเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจนี้มันสูญไม่ได้มันไม่มีวันสูญสิ่งที่เราทำให้สูญก็คือคาบสกปรกที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาท่านั้นที่เราจะกาจัดซักฟอบออกไปจากใจของพวกเรา ทำให้ใจของเราเป็นปรมังศูนย์ยังขึ้นมาเป็นความสูงเป็นความว่างที่สูงสุดคือความว่างเต็มร้อยไม่มีใจที่จะใฝ่คิดถึงลาบยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นลดถึงเรื่องของร่างกายเลยปล่อยวางได้หมดไม่ไปยุ่งกับมันมันจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของใจดวงนั้นแล้วใจดวงนั้นไม่มีความสนใจ ใจอยู่กับความว่างความว่างก็คือความสงบนี่ใจที่ว่างก็เป็นเกิดจากใจที่สงบสงบจากความคิดปรุงแต่งสงบจากความคิดปรุงแต่งไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหามีความมีความปรุงแต่งแต่ไม่ได้ปรุงแต่งไปทาง ความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ปรุงแต่งไปหาลาบยศสารเสริญสุขเช่นพระพุทธเจ้าก็ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่พระอรหันตสาวกท่านก็ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่แต่ความคิดปรุงแต่งของท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเพื่อไปหาลาบยศสารเส ร, รสิญไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือเพื่อไปกําจัดความแก่ความเจ็บความตายต่างๆ ความคิดเหล่านี้ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์เพราะท่านรู้ว่าคิดแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองแต่ท่านยังคิดเรื่องอื่นได้ เ, เวลาแสดงธรรมท่านก็ต้องใช้ความคิดคิดถึงเรื่องเช่นมรรคมรรคแปดอริยสัจสไตรักขันห้าอันนี้ก็เป็นความคิด เ, เวลาแสดงธรรมก็ต้องใช้ความคิด แต่คิดในเรื่องที่ไม่เป็นทุกข์เนีไม่คิดถึงลาบยศสรรเสริญตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ตรวดบัญชีดูดอกเบีย้ยวันนี้ขึ้นหรือลงเดี๋ยวต้องโยกย้ายหรือเปล่าธนาคารนู้นให้ดอกมากกว่าธนาคารนี้อันนี้ไม่มีในใจของพระอรหันต์ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวจะไปเลื่อนขั้นเลื่อมตำแหน่งที่ไหนดีไปขอใครดีตอนนี้เป็นนายร้อยอยากจะเป็นนายพัน ไม่มีความคิดเหล่านี้ไม่ได้คิดหาลาบหายศหาสรรเสริญไม่ได้ไปคิดกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือยังมีความคิดอยู่เพียงแต่ไม่คิดปรุงแต่งไปทางการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาไม่คิดปรุงแต่งว่าเดี๋ยวไปกินขนมดีไหมเดี๋ยวไปดื่มกาแฟดีไหมเดี๋ยวไปดูหนังดูละครดีไหม เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดีไหมไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่ในใจของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านว่างจากสิ่งเหล่านี้ว่างจากความทุกข์แต่ท่านยังใช้ความคิดมาทําประโยชน์ให้กับสัตว์โลกได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ท่านก็จะคิดแต่อริยสัจสี่มรรคแปดไปรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญา ทานศีลภาวนาความคิดเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ทุกข์กันเพราะเป็นวิชาความรู้เป็นวิชาความรู้ที่จะไปดับความทุกข์ใครถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดถ้าคิดทำบุญทำทานมันก็ไปทำลายความอยาก ที่จะเอเงินไปซื้อสิ่งที่อยากได้กันสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่อยากได้เช่นอยากได้รองเท้ากู้ใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่มีรองเท้าอยู่หลายคู่แล้วอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่มีเต็มตู้แล้วเพียงแต่พอเดินไปตามห้างร้านเห็นเข้าก็อดไม่ได้ขึ้นมาพอ เ, เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะเปลี่ยนนะ ทั้งๆ ท, ที่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นเห็นเครื่องใหม่เห็นเขาโฆษณาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็อยากได้ขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้คือความคิดที่จะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆของใจที่เป็นนิพพานแล้วจะไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะใจมีความสุขในตัวแล้วนั่นเองนิบานังปรมังสุขขัง ใจที่ไม่มีความอยากไม่มีการมัตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่มีความสุขสุดยอดอยู่แล้วความสูงสุดนะความสุขที่สูงสุดอยู่ที่การกาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ พอไม่มีความอยากแล้วใจก็เป็นปรมังสุขถังขึ้นมาเพราะใจไม่ต้องการอะไรนั่นเองใจเป็นปรามังสุญญ์สุดยอดของความว่างไม่มีความอยากจะได้อะไรไม่มีความอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรนี่แหละคือความสุขที่เราควรจะหากันเลือกหาความสุขจากลาบยศสารเสรญ เริ่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสการเติร์ดนะอย่าไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดหายแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอีกแล้วอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวใดาอีกแล้วต้องหาหาอะไรมาให้ความสุขอีกแล้ว กินขนมแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มนะเดื่มแล้วก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปทำอะไรต่ออีกเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็อยากจะกลับมากินใหม่ อ, อยากจะมาดื่มใหม่เดี๋ยวมันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพอทำไม่ได้ก็ทุกข์ก็สิกินมากเกินไปหมอก็บอกว่าน้ำตาลสูงไขมันสูง ต้องลดแล้วนะกินมากไม่ได้แนละ้วกินตามความอยากไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวจะตายนยะเดี๋ยวตายจะวายทีนี้ก็ทุกข์ก็เสียเพราะความอยากกินมันยังไม่หยุดเนี่ยเห็นพอเห็นแนละ้วบางทีก็ทนไม่ไหวต้องกินยอมให้ตายวายไปยอมตายไปดีก็อยู่แบบไม่มีความสุขถึงแม้จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวก็ตาม ก็ดีกว่าอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่กับความทุกข์อยู่ไม่ได้อยู่กับการไม่มีอะไรเสพไม่ได้เพราะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนะถ้าจะตายเพราะเสพยาก็ยอมตายดีกว่าตายเพราะไม่ได้เสพยาดีกว่าทุกข์เพราะไม่ได้เสพยา mm. นี่คือปัญหาของพวกเราที่มาเกิดแล้วก็ต้องมาเสพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แล้วก็พาเราไปสู่ความทุกข์ชนิดต่างๆทุกเวลาไม่ได้เสพทุกเวลาสูญเสียสิ่งที่เรามีไปทุกเพราะความแก่ของร่างกายทุกเพราะความเจ็บของร่างกายทุกเพราะความตายของร่างกายนี่คือผลที่ตามมาจากการที่เรามาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่อยากจะเจอปัญหาเจอความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาความสุขจากความว่างกันความว่างก็คือศูนย์นี่เองคือไม่มีอะไรไม่หาความสุขจากลาบไม่หาความสุขจากยศไม่หาความสุขจากสรรเสริญ ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการที่เราจะไม่หาความสุขต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องไปกาจัดตัวที่อยากหาคือความอยากนี่เราต้องไปกาจัดกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้มันหยุดทำงานให้ได้ให้มันเลิกอยากให้ได้ และวิธีที่จะทำให้มันเลิกให้อยากได้ก็คือการภาวนานี่เองเรียกว่าจิตตะภาวนาเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งใช้ในการชำระจิตใจของพวะองให้สะอาดให้เป็นจิตใจที่ว่างจากความอยากต่างๆทาให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจาก การไม่มีอะไรที่เกิดจากการอยู่กับความว่างได้นต้องอาศัยการภาวนาจิตตภาวนามีสองระดับสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเป็นขั้นที่ต้องปฏิบัติไปขั้นที่หนึ่งก็สมถภาวนาขั้นที่สองก็วิปัสนาภาวนาน การที่จะไปปฏิบัติได้ก็ต้องไปถือศีลกันถ้าไม่ถือศีลก็จะไม่มีอะไรมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองยังต้องถือศีลคือต้องห้ามตัวเองให้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นการห้ามด้วยการา ใช้รั้วกั้นไว้แต่ความอยากหามันยังมีอยู่ในใจการมาถือศีลนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเลิกหาเราหยุดความอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้แล้วเพียงแต่ว่าเราทำกำแพงกั้นเอาไว้ไม่ให้เราออกไปหาความสุขเหล่านั้นนั่นเองเช่นถือศีลแปดอย่างนี้ ถ้าพอเราถือศีลแปดเราจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้แล้วเพราะศีลห้ามไว้ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ศีลก็หกไม่ให้เรากินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว<ม>ก็ห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการกินอาหารกินได้แต่กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้กินเพื่อ หาความสุขจากการกินจึงให้กินแค่เที่ยงวันก็พอเพราะการกินแค่เที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายไม่ต้องกินสามมือ้อกินแค่มื้อสองมื้อก็อยู่ได้ถ้ากินมากกว่า น, นั้นก็ถือว่ากินด้วยความอยากซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการจะกําจัดเราเลยต้องถือศีลก่อน พราะถ้าไม่ถือศีลเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลามาภาวนาเราจะเอาเวลาไปทาตามความอยากต่างๆถ้าไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็หมดไปคืนินึังเหละเวลาที่จะมานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อทําจิตใจให้สงบก็ไม่มีทาแล้วอะยรต้องห้ามศีลห้ามการกิจกรรมอันนี้คือห้ามร่วมหลับนอนกัน ให้นอนคนเดียวให้อยู่คนเดียวปรีกวิเวกไม่ให้ไปหาความสุขจากพวกบันเทิงมหรสศพต่างๆไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปร้องลำทำเพลงเต้นแรงเต้นกาไม่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแหล่งบันเทิงต่างๆโรงภาพยนตร์โรงละคร หรือแม้แต่งานวังนงานต่างๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรทั้งแล้วแต่ที่มีการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องระงับเสียไม่ไปแล้วก็ไม่แต่งตัวให้สวยให้งามอันนี้เป็นการเสพความสุขจากการแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกาย แล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็คือไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆคําว่าเตียงใหญ่นี้คงไม่ได้หมายถึงขนาดอะหมายถึงใหญ่แบบสบายอย่าไม่ต้องการให้นอนบนเตียงที่สบายมากเกินไปสมัยนี้ใช่ไหมเวลาเขาทําเตียงกันเนี่โอ้ยเขาโฆษณา ว่าโอยนอนแล้วจะสบายอย่างนั้นสบายอย่างนี้ออ น, นี่หมายถึงอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเตียงขนาดใหญ่ออถ้าเป็นเตียงขนาดใหญ่ถ้าเป็นเตียงไม้มันก็เหมือนกันมันก็นอนไม่สบายอยงั้นความหมายของคำว่าใหญ่นี่มหาสยนะ์ญญเตียงใหญ่หมายถึงละโโหฐานเตียงแบบและโโหฐานออคำว่าใหญ่ แต่เรามาแปลความหมายว่าเป็นขนาดใหญ่ไม่ใช่ไม่ให้นั่งเก้าอี้ใหญ่ไม่ให้นอนเตียงใหญ่มันไม่ใช่ความหมายจริงมันหมายถึงอย่าไปนอนอย่าไปนั่งบนเก้าอี้ที่มันให้ความสุขสบายมากๆใหญ่คาว่าใหญ่อันนี้หมายถึงเห็นไหมดูที่นั่งที่นอนของคนใหญ่คนนี้ของพระเจ้าแผ่นดินของอะไรนี้เตียงต้องใหญ่ต้องนุ่มต้องสบาย อาสนะนี่ต้องนุ่มเหม็นไเวลาเ็าจัดงานเวลาต้อนรับแขกว i p พีนี่เ็าหาเก้าอี้เฉพาะของวี p อพีให้นั่งเลยนคนธรรมดาก็นั่งเก้าอี้พลาสติกไปเห็นแต่คนที่เป็นวี p พีเขาก็มีเก้าอี้หุ้มเบาหุ้มนวมอะไรนั่งแล้วจะไม่รู้สึกเจ็บก้นเจ็บอะไร นี่คือความหมายของเตียงใหญ่ที่นั่งใหญ่เตียงใหญ่ไม่ได้หมายถึงขนาดขนาดมันไม่เกี่ยวหรอกไม่ต้องการให้หาความสุขจากที่นั่งจากที่นอน응ที่เราไปซื้อเตียงใหญ่ๆซื้อที่นั่งใหญ่ๆคือหมายถึงเนี้ยคือซื้อของที่มันนั่งแล้วสบายนอนแล้วสบาย응จะได้นั่งนานๆจะได้นอนนานๆความหมายอยู่ตรงนั้น ดีมันขัดกับจุดประสงค์ของการมาภาวนาถ้านอนนานๆมันก็ไม่มีเวลามาภาวนาก็เลยต้องห้ามไม่ให้นอนเตียงแบบโมโหลานเตียงแบบฟูกนัานน้เตียงแบบ น, า น, าแบบนอนแล้วแหมมันสุขสําราญใจให้นอนบนเตียงไม้เตียงไม้จะใหญ่เท่าไหร่ก็เหมือนกันแหละให้นั่งเก้าอี้ไม้นี่คือความหมาย คำว่ามาคาว่าใหญ่นี่หมายถึงมโหลานไม่ใช่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นขนาดใหญ่เตียงมโหลานเห็นไหมเตียงของพระเจ้าแผ่นดินนี่เรียกว่าเตียงมโหลานเตียงของประธานาธิบดีเตียงของมหาเศรษฐีไปดูเตียงของเขาในมโหลานไหมเห็นแล้วก็โอโหอยากจะนอนอยากจะโดดขึ้นนอน <c oughs> มันก็จะทำให้ไม่ไปภาวนากัน หนึ่งค่ายบอกให้นอนเตียงไม้เตียงแข็งๆพื้นแข็งๆพอเห็นแล้วก็ไม่อยากจะนอนละนอกจากมันง่วงจริงๆนั้นะเวลาร่างกายมันง่วงจริงๆมันอยากจะนอนตอนนั้นอ่ะมันเตียงแข็งก็เอาอ่ะยังดีกว่าไม่มีที่นอนอันนี้คือศีลแปดศีลของผู้ที่ต้องการจะฝึกการภาวนาต้องการที่จะมาชําระกิเลสตัณหา เพื่อทําให้ใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องถือศีลแปดขึ้นไปเรียกว่าศีลของนักบวชนะถ้าเป็นผู้คลองเรือนก็ถือศีลแปดเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปก่อนถ้าเป็นนักบวชถ้าเป็นสัมมนเนนก็ถือศีลสิบถ้าเป็นพระก็ถือศี 7, ลสองร้อย่ิบเจ็ดก็เป็นศีลคล้ายๆกัน ศีลของพระที่มากนี้เป็นเพราะเป็นเรื่องกฎระเบียบมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการามาห้ามไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เป็นกฎระเบียบเพื่อให้พระดูดูเวลาทำอะไรแล้วสวยงามไม่ให้ชาวบ้านเขาตําหนิติดเตียนความหมายศีลข้อสูนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นเช่นไม่ให้ยืนกินไม่ให้เดินกินไม่ให้ยืนฉีอย่างงี้เป็นต้น สำหรับพระทำแล้วมันไม่สวยงามเพราะพระนี่เป็นคนที่เขายกย่องนับถือก็ต้องทำตัวให้เรียบร้อยน่าดูทำอะไรให้มีให้มีระเบียบเรียบร้อยกินเวลากินก็ไม่ส่งเสียงเคี้ยวดังกรอบๆหรือจุบจ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเวลากินก็ไม่ให้คุยกันอันนี้เป็นศีลของพระเป็นกฎระเบียบของพระ เพื่อรักษาความสวยงามของพระไว้เทนั้นเองแต่ศีลหลักก็เหมือนกับของโยมนะละศีลหลักของพระก็คือศีลสิบนี่แหละพระทุกรูปนี้ก่อนจะ บ, บวชเป็นพระนี่ต้องบวชเป็นสัมมนเนยก่อนแต่ญาติโยมไม่รู้หรอกเวลาที่ไปงานบวชนี่เขามีการบวชสองสองตอนด้วยกันตอนแรกบวชเป็นสัมมนเนยก่อนให้ไปถือศีลสิบก่อน พอได้ถือศีลสิแล้วทีนี้ก็ไปบวชเป็นพระเพื่อถือศีลสองิบเจ็ดข้อต่อไปศีลที่เพิ่มขึ้นอีกสอ0รกว่าข้อนี้เป็นเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องดูแลรักษาทรัพย์สินของของวัดของวาของอารามในของตนเองดูแลรักษาบาตรจีวร อ, อะไรต่างๆเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆแต่ศีลที่ที่เป็นศีลจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับของญาติโยม คือศีลแปดขึ้นไปหันการถือศีลแปดนี้สำหรับญาติโยมก็พอแล้วเพราะญาติโยมไม่ต้องไม่มีอะไรที่จะต้องมาอคอยปฏิบัติมากไม่มีใครเข้ามาคอยเฝ้าดูว่าญาติโยมคนนี้ทำอะไรอย่างงู้นทำนี้หรือเปล่าแต่พอเป็นพระนี่เขาดูเลยพอยืนยืนกินขนมนี่ก็โดนนะยืนยืนดื่นน้ำก็โดนนะยืนฉี่ก็โดนนะ ไม่สวยงามไม่เรียบร้อยเอาของมาใช้แล้วไม่เอาไปเก็บในที่เดิมก็โดนละผิดระเบียบละผิดกฎละมันเป็นเรื่องกฎระเบียบมันไม่ใช่เรื่องศีลเรื่องข้อการปฏิบัติข้อห้ามของการปฏิบัติเหมือนกันศีลของพระกับศีลของโยมความจริงก็เหมือนกันห้าข้อนี้เหมือนกันแปดข้อนี้เหมือนกัน ของพระมีเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือไม่เก็บไม่จับสตังค์ญาติโยมนี้ยังต้องใช้สตังค์อยู่เลยถือสินข้อนี้ไม่ได้แล้วความจริงสินแปดนี้ก็ไม่ใช่สีลแปดเป็นสีลเก้าเป็นเก้าข้อแต่เอาเอาเอาสองข้อมารวมกันเป็นข้อที่เจ็ดเนี่ยข้อที่เจ็ดมีอยู่สองข้อข้อหนึ่งก็คือไม่ไปหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่าง น, นี้สีข้อหกสีข้อที่เจ็ดก็คือไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เสริมสวยความงามไม่ใช้น้ามันน้ำหอมอะไรต่างๆไม่ใส่เพชรใส่แหวนใส่ห้อยอะไรต่างๆเสริมความงามอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งแต่พอจะมาให้ญาติโยมถือกันจะให้ถือแค่ศีเก้ามันก็รู้สึกมันเป็นเลขไม่ไม่ไม่ไม่ไมไ ม, ไม เขาก็เลยเอาสินข้อข้อหกอกับข้อเจ็ดกับข้อแปดมารวมกันแล้วเอาสินข้อเก้ามาเป็นข้อแปดก็คือไม่จับต้องเงินทองความจริงสินศีลแปดนี่ความจริงเป็นสีลเก้าของสีลสิบขาดข้อเดียวคือไม่จับต้องเงินทองพอถ้าถือสินสิบก็จะมีการไม่จับต้องเงินทองเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึง่งเท่านั้นเอง ฉะนั้นศีลของอบุอบาสิกาศีลกับศีลของสัมมาเนนของพระในเบื้องต้นก็เหมือนกันศีลสิบกับศีลแปดนี่เหมือนกันต่างกันตรงที่ไม่จับเงินจับทองเท่านัน้นนี่คือเรื่องของต้องการมีศีลก่อนถ้าจะไปภาวนาไปชาําระจิตใจต้องมีศีลดึงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัตินั่นเอง ถ้าไม่มีศีลไม่มีข้อห้ามเดี๋ยวก็ไปนอนดูละครก่อนกินข้าวเย็นก่อนเข้าวเย็นก็กินได้กินเสร็จก็อยากจะดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงเสร็จแล้วก็อยากจะไปนอนกับแฟนต่อนอนกับแฟนก็ต้องนอนบนเตียงใหญ่ๆพูก น, นั้นน่ะนี่พอถือศีลแปดกิจกรรมเหล่า น, นี้ทาไม่ได้เลยอาหารเย็นก็กินไม่ได้ไปงานเลี้ยงก็ไปไม่ได้ ดูหนังฟังเพลงก็ดูไม่ได้อร่วมหลับนอนกับแฟนก็หลับไม่ได้ก็ต้องนอนมันนอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงหรูหราก็นอนไม่ได้ก็ต้องนอนกับเตียงที่มีพื้นแข็งๆนอนกับเตียงไม้อ น, นี่คือศีลต้องมีไว้ถ้าไม่มีแล้วมันจะไม่มีเวลามาภาวนาไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองพอเราถือศีลแปดด้าที่เราก็ว่างนะ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีอะไรให้ทำนะก็ทีนี้ก็มาภาวนาได้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิขั้นต้นต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถึงจะไปนั่งนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็ไม่สงบใจก็จะนั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ตามภาษาที่มันเคยคิดเนี่ยใจของพวกเรานี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาหยุดคิดกันบ้างหรือ ย, อยังไม่หยุดหรอก ส่วนใหญ่ก็คิดถึงเรื่องราบยศสารเสริญคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นคิดว่าจะไปหาเงินที่ไหนดีคิดว่าจะไปหาตําแหน่งที่ไหนดีคิดว่าจะไปหาสรรเสริญที่ไหนดีคิดว่าจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนดีจากใครดีนี่มันจะคิดอยู่แต่เรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลามานั่งสมาธิมันก็นัมันก็จะไม่หยุดคิดนะดงั้นการที่จะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบได้นี้เราต้องมา เบรกความคิดก่อนมาชะลอความคิดด้วยการให้มันคิดเรื่องอื่นแทนสอสให้มันคิดคาําบริกรรมพุโทโธพุทโธไปให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็ให้มันพุโทโธไปเลยเราต้องฝึกสติหยุดความคิดลืมลดความคิดให้มันช้าลงให้มันน้อยลงก่อนไม่ใช่นั้นเวลามานั่งสมาธิมันจะคิด เมือนรถยนต์เนี่ยก่อนที่เราจะให้มันหยุดได้เนี่ยเราต้องชะลอก่อนแล้วเราต้องถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกไม่ใช่ต้องการให้มันหยุดตรงนี้พอเหยียบเบรกปั๊บมันจะหยุดมันไม่หยุดหรอกพอรถวิ่งมาร้อยี่สิบต่อชั่วโมงนี้พอเหยียบเบรกปั๊บมันจะให้มันจอดตรงนี้มันไม่จอดแล้วมานู่นเนี่ยไปครึ่งกิโลไปร้อยเมตรสองร้อยเมตรเบ่งถึงจะจอดได้อันนี้ก็เหมือนการใจของพวกเราอยู่ดีๆจะให้มัน สงบเพราะเรานั่งหลับตาแล้วพุดโธรคำสองคานี้ไม่มีทางหรอกเราต้องพุดโธเราต้องชะลอความคิดลดความคิดลงตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยพอเราไปเตรียมตัว ท, ทําธุรกิจส่วนตัวอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็ต้องหยุดความคิดไว้ก่อนลนะ่ะต้องค่อย ปรามความคิดไว้เบรกความคิดไว้อย่าปล่อยให้มันคิดเหมือนเคยคิดเนี่ยด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไปถ้าไม่ชอบพุทโธเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้ทมโมสังโคก็ได้หรือจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสภควาไปก็ได้ อย่าออกเสียงก็แล้วกันเดี๋ยวคนได้ยินเสียงก็จะหาว่าไม่เคารบแต่ความจริงการสวดนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งคนไม่เข้าใจก็คิดว่าโอ้เวลาสวดมนต์ต้องสวดในห้องพระต้องแต่งตัวเรียบร้อยนี่มาอาบน้ำแล้วสวดมนต์นี่ไม่เคารบนี่เขาไม่เข้าใจความจริงการสวดนี้เพื่อเป็นการปาล์มเพื่อการหยุดความคิด ไม่ให้ไปคิดเรื่องเรื่องราวทางลาบยศสรรเสริญให้มาหยุดคิดกันด้วยการมาคิดบทสวดมนต์แทนหรือถ้าไม่บทสวดมนต์ก็พุโทโธไปในใจโดยคําอื่นก็ได้ถ้าเราชอบอย่างอื่นก็ใช้คําไหนก็ได้บางคนชอบนับหนึ่งสองสามก็นับไปก็ได้หรือถ้าไม่ชอบคิดไม่ชอบนั่งไม่ชอบคิดไม่ชอบสวดก็ให้ดูร่างกายไปก็ได้ เวลาร่างกายอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำก็อาบน้าไปกำลังแปรงฟันก็แปรงฟันไปกำลังถูสบู่ก็ถูสบู่ไปกับร่างกายนี่เรียกว่ากายกตาสติถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกายถ้าใช้พุทธโธแล้วก็พุทธานุสติ ถ้าใช้บทสวดมนต์เราก็เรียกว่าธรรมานุสติก็บทสวดมนต์ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นวิธีการต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่อชะลอความคิดลดความคิดให้น้อยลงเพื่อที่เวลาที่เรามานั่งมันจะได้สงบง่ายถ้าไม่ทําอย่างนี้มาก่อนไม่มีสติคอยควบคุมความคิดมาก่อนมานั่งนานทักทายก็นั่งไม่ได้ ย่าว่าแต่นั่งนานเลยพอเริ่มนั่งก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วเพราะใจเมื่อมันถูกบังคับให้อยู่เฉยๆนี่มันจะแสดงมันจะออกกฤทธน์เหมือนเหมือนม้าม้าพยศเนี่ยพอไปทําให้ม้ามันไม่พอใจนี่มันจะจะพยศเลยใจก็เหมือนกันพอจะให้มันนั่งเฉยๆแม่มันคิดแม่มันทําอะไรพอพุทโธได้คำสองคามันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วเพียงแต่พอจะเริ่มนั่งมันก็เริ่มอึดอัดแล้วเนี่ย พอพูดคำว่าเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันแค่นี้นใจมันเริ่มเครียดขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆชอบเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดเพ้อฝันคิดเพ้อเจ้อไปพอให้มันหยุดคิดมันก็เครียดขึ้นมาแล้วทำให้นั่งไม่ได้นั่งได้แค่ห้านาทีก็ทนไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเราฝึกสติมาไว้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยเราลดความคิดลงเนี่ยเวลานั่งมันจะไม่เครียดนะมันมันจะนั่งได้แล้วก็จะทำให้พุโทโธต่อไปได้หรือดูลมต่อไปได้แล้วถ้าเราไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะสงบได้นี่ยพอใจสงบกิเลสตัณหาความโลภความอยากโมหะอวิชาก็หยุดทำงานชั่วคราวเนอันนี้เป็นการ ถ้าเป็นนักมวยก็ชกนับแปดเนี่ยพอกู้ต่อสู้ถูกชกล้มลงไปก็นับแปดคือยังไม่นอกยังไม่ตายพอนับแปดก็ลุกขึ้นมาต่อได้ เ, เวลาเข้าสมาธิความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงโมหะอวิชามันก็จะสงบตัวไปกับความสงบของใจแต่พอออกมาจากสมาธิเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ ยังไม่ตายพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องทำขั้นต่อไปพอมันออกจากสมาธิมาพอมันเริ่มโผล่ขึ้นมาทีนี้เราต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาปัญญาก็คือมาสอนใจให้เห็นว่าการไปทําตามความโลภความอยากต่างๆไม่ได้นำไปสู่ความสุขนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่ ความโลภความอยากต้องการคือราบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องสอนใจว่าเรากำลังไปหานิจจังทุกขังอนัตตากันไม่ได้ไปหานิจขขออนาานจังสุขขังอัตตานิจจังสุขขังอัตตาอยู่ที่การไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอันนี้คือปัญญาสอนให้เลือกทางระหว่างการไปหาความ หานิตจังทุกขังอนัตตาหรือไปหานิตจังสุขขังอัตตาถ้าไปทําตามความอยากมันก็จะไปหานิตจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ไปทําตามความอยากมันก็จะได้นิจจังสุขขังอัตตาคือจะได้ความสงบได้ความว่างนั่นเองพอไม่ไปทําตามความโลภความอยากด่อไปความโลภความอยากมันก็หายไปหมดไปจากใจพอมันหายไปหมดไปจากใจใจก็ว่างขึ้นมา เป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมา <PH US milli amp ils> เป็นความสุขที่เป็นบรมสุขขึ้นมานิพานังปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตา <underneath> <PH US milli amp ils> เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นความสุขที่จะไม่กลายเป็นความทุกข์ในข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแหละคือการเข้าถึงความว่างความสุขของใจที่เราเรียกว่าพระนิพพาน นิบานังปรมังสุญญังนิบานังปรมังสุขขังเน่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความว่างนี่คือความหมายของคำว่านิบานังปรมังสุญญังนิบานังปรมังสุขขังความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรอยู่ที่ความว่างอยู่ที่ความไม่มีอะไรไม่เออใจไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรถ้ามีแล้วใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี่ย นี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบไม่ทุกข์อยากได้ความสุขแบบถาวรเราก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือศีลสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะได้นิบบานังปรมังสุญอย่างนิ บ, บานังปรมังสุขขังตามลำดับต่อไป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 จันโทปนาราโสยธามณนีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะ อาพิวาทนาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลามวันนี้คงไม่ถามต่อนะหลือ น, นิดเดียวนั่นเองก็ คิดว่าท่านที่อยู่ทางบ้านที่ถามคำถามก็ขอเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่นี้ก็เป็นแบบธรรมจาดิสันคือไม่มีอะไรตายตัวแล้วแต่มีอะไรมาให้ทำก็ทำไปตามเหตุการณ์น <Yes. S 1> Is there any question you want to ask any more question คุณอยากจะถามอะไรหรือเปล่าถามอาจารย์เยไ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวไมโครโฟนทีไม่ถามอาจารย์ไะ หนวเป็นปฏิบัติธรรมทาไมแฟนเขาชอบเข้าใจผิดว่าไปไปเส้นทางที่จีเป<ข>็นอออกหลอกเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่รู้เรื่อง เ, เขาไม่รู้เลยแล้วเขาก็ไปเห็นทางบางคนก็ไปแบบผิดทางกันเขาก็เลยกลัวม<อ>ั้งอก็อธิบายก็ฟังหนิว่าทางของวัตเจ้านี่พาไปสู่ความสงบพาไปสู่ความสงบไปปฏิบัติธรรมเขาก็หาว่า g ีพีเอบอกว่าไม่ได้ไปที่วัดนี้อะไรอะไรเนี้ย อ๋อไม่คขาาหาว่าเราโกหกอ่ะใช่คะ่ะแล้วเราไปหรือเปล่าล่ะไปค่ะอ่ะไปแล้วทําไมจีพีเพราะว่าจีบีเอมันขึ้นไม่ไม่ใช่ที่นั่นค่ะก็ไม่รู้ล่ะยังไก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องเอาบ้งแสดงว่าเครื่องมันอาจจะเสียก็ได้ไนจากอาจารย์ให้ก็สบายใจค่ะอ่ะก็บอกเขาเนี่ยไปเปิดดูใน youtube ได้เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่นี่ <c oughs> แล้วก็อขาหักแบบว่าล้มไปมันมีคนผลักค่ะเป็นเพราะ อะไรคะ่ะอาจารย์ก็ไม่ร um> ู้แหละมันมันจะเป็นก็เป็นอ่ะอุบัติเหตุหรือว่าอ่ามันจะเป็นก็เป็นเป็นก็รักษาไปถ้าไม่มีสติก็พยายามฝึกสติไว้ถ้ามีสติมันก็อาจจะไม่ล้มบางทีนั่งสมาธิอย <Ah pues ู่มันยังมีคนพักค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตมาหลอกเราเราไม่ต้องไปสนใจอ่าภาวนาแต่ว่าให้มีสติพูดโธไปแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรนะะ ถ้าไปสนใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวถูกกลอกได้อ๋อนี่อยากถ้าถามอยากรู้แล้วก็อุบัติเหตุบ่อยๆนี่เป็นเพราะเป็นเพราะไม่มีสติประมาทอืมค่ะนี่นะค่ะโอเคลาค่ะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ